ในจิตใจของบุคคลการนำออกก็มีสองระดับเช่นเดียวกันคือการนำออกด้วยองค์นั้นๆหมายความว่าเมื่อความโทมนัสบังเกิดขึ้นในขณะนั้นๆบุคคลใช้สติปัญญาระลึกรู้พิจารณาถึงเหตุผลและสภาวะของสิ่งเหล่านั้นแล้ว ก็นำออกซึ่งสิ่งเหล่านั้นจากจิตใจของตนเป็นการขจัดความทุกข์และกิเลส ท, ที่เกิดขึ้นในขณะนั้นๆอีกประการหนึ่งเป็นวิขมพะณะคือการนำออกด้วยการโกฎไปทั้งนี้ต้องอาศัยการปฏิบัติทำจิตให้ส ง, งบเป็นสมาธิ กดทับความรู้สึกเหล่านั้นไว้ด้วยพลังแห่งสมาธิที่ผ่านการฝึกปลือมาโดยลำดับในชั้นของกิเลสนั้นได้สงเคราะห์พยาบาทนิวรเข้าในคำว่าโทมนัตด้วยซึ่งหมายความว่ากิเลสสายโทสะทั้งมวลไม่ว่าจะเรียกชื่ อ, อย่างไรก็ตามเช่นความไม่ยินดีไม่พอใจ การกระทบกระทั่งทางจิตความโกรธความประทุสลายและความพยาบาทซึ่งเมื่อเกิดขึ้นภายในจิตใจแล้วทรงแสดงว่าทำตนเองให้เป็นศัตรูของตนทั้งนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าความโกรธเป็นต้นที่เกิดขึ้นนั้นเมื่อเกิดขึ้นแล้ว จะทำอันตรายต่อจิตใจของบุคคลผู้นั้นเป็นเบื้องต้นก็อาการาร่าเรอนแผดเผาให้ปรากฏภายในจิตใจซึ่งการกระทำในลักษณะนั้นเป็นเรื่องของคนที่เป็นศัตรูต่อกันจะพึงกระทำให้แก่กันไม่ใช่เป็นเรื่องที่คนซึ่งมีความสํานึกมีความรู้สึกว่าตนเป็นที่รักของตน ไม่มีสิ่งอื่นที่จะเป็นที่รักยิ่งไปกว่าตนจะพึงกระทำลักษณะของความพยาบาทหรือกิเลสสายนี้จึงทรงชี้เห็นว่าเมื่อบุคคลได้ประพฤติกระทำตามไปในชั้นต้นอาจจะรู้สึกว่าสมใจหรืออรจอร่อยเข้าในทํานองที่รับประทานอ้อย ซึ่งมียอดหวานแต่มีรากเป็นพิษในขณะที่ยังไม่ถึงพิษของอ้อยก็รู้สึกว่ายังมีรสหวานอยู่แต่พอถึงพิษข้าวบุคคลก็จะประสบทุกขเวทนาเพราะพิษเหล่านั้นเสียดแทงชั้นใดจิตใจที่ปล่อยให้กิเลสสายโทวสะมีความอาฆาตพยาบาทเป็นต้นเกิดขึ้นครอบงำก็มีลักษณะเช่นเดียวกัน ดังนั้นจึงทรงอุปมากิเลสสายนี้ไว้ว่าเป็นเหมือนกับโรคภัยที่เกิดขึ้นเสียดแทงกายของบุคคลดังที่ได้เคยกล่าวมาแล้วธรรมดาว่าโรคภัยที่เกิดขึ้นนั้นจะรุนแรงมากหรือรุนแรงน้อยก็ตามบุคคลผู้นั้นเท่านั้นจะต้องสัมผัสผลจะต้องประสบกับความเดือดร้อนเจ็บปวดทุกข์ทรมานจากการเสียดแทงของโรคเช่นใดกิเลสสายโทสะ ที่เกิดขึ้นครอบงำจิตใจของบุคคลก็มีลักษณะเช่นเดียวกันฉะนั้นดังนั้นจึงทรงสอนให้บุคคลนำออกซึ่งกิเลสเหล่านั้นที่บังเกิดขึ้นการบังเกิดขึ้นของกิเลสสายนี้ก็มีลักษณะเช่นเดียวกับสายของโลภะคือเกิดจากเชื้อภายในจิตใจของบุคคลที่กาหนดหมายการไปกาหนดหมายว่ารูป เสียงกลิ่นรสผลิต ภ, ภัไม่พึงปรารถนาไม่น่าพอใจก็เก็บเอาไว้เป็นเชื้อภายในใจเรียกว่าโทสะธาตุคือเชื้อของโทสะต่อมาบุคคลได้เก็บสะสมเชื้อเหล่านั้นจนใจไปกำหนดหมายรูปเสียงเป็นต้นเหล่านั้นว่าไม่พึงปรารถนาไม่น่าพอใจนานเข้าวความดําริความตรึกนึกถึง อารมณ์และบุคคลเหล่านั้นก็เกิดขึ้นให้สังเกตว่าทุกครั้งที่สึกนึกทุกครั้งที่กำหนดหมายรูปเสียงเป็นต้นว่าไม่น่ารักใครไม่น่าปรารถนาไม่น่าพอใจนั้นปริมาณของความโกรธความไม่ยินดีความไม่พอใจจะเพิ่มสูงขึ้นจนออกมาในรูปของปฏิฆะคือการกระทบกระทั่งทางจิตแสดงอาการร่ารอน ออกมาให้ปรากฏปฏิฆานั้นก็ออกมาในรูปของปฏิฆานิมิตคือกำหนดหมายเอาไว้เลยปักใจตายตัวลงไปว่าไม่ดีไม่พึงปรารถนาดังที่กล่าวแล้วเมื่อปริมาณของปฏิฆาสูงขึ้นก็แสดงออกมาทางร่างกายทางจิตใจจนถึงก็ออกมาเป็นภายนอกในขณะเดียวกันก็มีปัจจัยภายนอกเข้ามากระตุ้น เข้ามาเร่งเราให้เกิดความรู้สึกเหล่านั้นเข้ามาด้วยเมื่อมีปัจจัยทั้งสองฝ่ายเข้ามาผสมกันเช่นนี้ความอาฆาตพยาบาทที่เกิดขึ้นครอบงาใจของบุคคลก็ไม่อาจที่จะกระจัดไปได้คล้ายๆกับโรคที่เกิดขึ้นภายในกายก็ไม่ได้บำบัดในขณะเดียวกันสิ่งที่แสลงแก่โรคก็ยังเข้าไปสู่ร่างกายโอกาสที่โรคจะหายจึงมีไม่ได้ ดังนั้นจึงทรงสอนให้บุคคลกำหนดพิจารณาเห็นโทษของความโกรธหรือของกิเลสสายนี้โดยอาศัยการพินิจพิจารณาถึงสภาวะก็เห็นว่าเป็นอกุศลโดยลักษณะมีความแผดเผาจิตใจร่าวร้อนโดยผลที่ออกมาภายนอกก็ก่อสร้างเป็นรูปของเวรของภยัย ที่จะต้องมีความเดือดร้อนสืบต่อกันไปหาข้อยุติไม่ได้การแก้ปัญหาด้วยกิเลสสายนี้จึงมีแต่การสร้างปัญหาให้เพิ่มปูนยิ่งขึ้นคำสอนในชั้นนี้จึงทรงชี้ให้เห็นในรูปที่เรียกว่าโทษยิ่งกว่าความโกรธไม่มีฆ่าความโกรธเสียได้ย่อมไม่เศร้าโศกฆ่าความโกรธเสียได้ย่อมอยู่เป็นสุข ในชั้นของพวกความทุกข์ทั้งหลายนั้นเกี่ยวข้องกระจายกําหนดหมายเช่นเดียวกันท่านเริ่มต้นมาจากความรู้สึกกําหนดหมายถึงอารมณ์ทั้งหลายว่าเป็นที่น่าไม่ยินดีซึ่งบุคคลจะต้องขจัดความรู้สึกเหล่านั้นออกไปโดยพยายามทำความเข้าใจถึงสภาพที่แท้จริงของสิ่งเหล่านั้นว่าโดยภาวะที่แท้จริงแล้ว เป็นของกลางๆแต่การจะดีหรือไม่ดีก็อยู่ที่ใจเราไปกำหนดหมายไว้เท่านั้นเองซึ่งข้อนี้ผู้ปฏิบัติจะพึงสังเกตได้ว่าบุคคลหนึ่งบุคคลเดียวกันหรืออารมณ์มเดียวกันในโอกาสหนึ่งในขณะหนึ่งความรู้สึกเมตตาอาจจะเกิดขึ้นในขณะหนึ่งอาจจะเป็นราคะในขณะหนึ่งอาจจะเป็นโทสะ ก็ในขณะหนึ่งอาจจะเฉยๆก็ได้ทั้งนี้เป็นเพราะอะไรเพราะอาศัยความกำหนดของจิตใจเป็นประการสำคัญและอาศัยปัจจัยภายนอกเข้าผสมดังที่ได้กล่าวแล้วอีกประการหนึ่งคือความวิบัติของกายเช่นร่างกายมีความผิดปกติไปหรือร่างกายเกิดทุพพลภาพซึ่งตามปกติแล้วบุคคลจะ เกิดจิงชังเกิดโทมนัสเกิดเสียใจในร่างกายเหล่านั้นบางครั้งก็ทอดอะไรในชีวิตไม่ยอมประกอบภารกิจที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ตนเองและบุคคลอื่นในข้อนี้ก็ส่งสอนให้บุคคลนำออกเสียซึ่งความรู้สึกเหล่านั้นโดยยอมรับสภาพที่มีอยู่เป็นอยู่ในขณะนั้นๆและพยายามใช้อวัยวะร่างกาย ที่มีอยู่นั่นเองให้เป็นประโยชน์ในชั้นของการทำงานในชั้นของการเรียนรู้ความจริงอย่างแท้จริงแห่งชีวิตคือหมายความว่าใช้ประโยชน์ในชั้นของสมมติสัจจะให้ได้และใช้ประโยชน์ในชั้นของปรมาสสัจจะให้ได้เช่นเดียวกันเพราะความจริงตามสภาวะแล้วร่างกายจะพิเศษอย่างไรสวยงามอย่างไร ก็เป็นการประกอบของขันธ์ธาตุอาญตนะเท่านั้นเองเป็นที่ประชุมแห่งซากศพมีผมขนเป็นต้นสภาวะทั้งสิ้นจึงเป็นของน่าเบื่อนหน่ายน่าละอาแต่ว่าการที่บุคคลยังหลงติดหลงยึดหลงพอใจหลงไม่พอใจอยู่นั้นก็เพราะไม่เข้าใจความจริงอย่างแท้จริงหรือความจริงตามสภาวะของร่างกายนั่นเองอีกประการหนึ่งนั้น ให้นำออกซึ่งการกําหนดหมายในลักษณะที่ไม่เป็นประโยชน์แก่จิตใจของบุคคลเช่นการกําหนดหมายในลักษณะวิปลาสคือคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงดังที่ได้กล่าวมาแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งการไปกําหนดหมายว่าเป็นสุขทั้งๆที่สภาวะที่แท้จริงของร่างกายแล้วเป็นทุกข์เภทว่าร่างกายนั้น เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยต่างๆเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็มีการแผดเผามีการเบียดเบียนในร่างร้อนรักษาสภาพเดิมของตนเอาไว้ไม่ได้และมีการแปรปรวนเปลี่ยนแปลงปรากฏอยู่ตลอดเวลาทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าให้ดูที่กายอย่างเดียวแต่จะต้องดูในจุดของเวทนาในเรื่องของจิตและในเรื่องของธรรมะ โดยนัยะเช่นเดียวกันประการต่อไปนั้นเป็นเรื่องของการมีความรู้สึกในส่วนของปะกิณกทุบที่เรียกว่าทุกขโทมนัตซึ่งตามปกติแล้วความรู้สึกโดยธรรมนองนี้ทรงแสดงสรุปไปอย่างที่สวดกันว่าสังคิตเตนะปัญจุ ป, ปาทานขันธาทุกขา เมื่อกราโดยสรุปแล้วการที่จิตของบุคคลไปยึดมั่นถือมั่นในขันทั้งห้าประการว่าเป็นของเราว่าเป็นเราว่าเป็นตัวเป็นตนของเราแต่ละอย่างแต่ละอย่างนั้นก็ให้เกิดความทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นความทุกข์หรือความโทมนัสที่บังเกิดขึ้นภายในจิตใจในส่วนที่เป็นปะกิณกะทุกข์คือทุกข์ที่จรเข้ามานั้น ที่ทรงเริ่มด้วยคาว่าโสกะคือความโศกปริเทวะความวร่ำรวญร่ำพันธุขะความไม่สบายกายโทมานัตความไม่สบายใจเป็นต้นตลอดถึงการพละดพลากจากบุคคลอันเป็นทีรัตการต้องเกี่ยวข้องกับสัตว์กับบุคคลอันไม่เป็นทีรัตความเหี่ยวแข้งใจความคับแค้นใจที่ปรากฏเกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องของการที่บุคคลไปกาหนดหมาย ไว้ในแง่เดียวเช่นว่าเบียชนคนที่รักทั้งหลายก็กําหนดไว้ในแง่เดียวต้องการจะอยู่ร่วมกันอย่างถาวรตลอดไปโดยไม่มองถึงสภาวะที่แท้จริงว่าการอยู่ร่วมตลอดไปของคนและสัตว์ทั้งหลายนั้นมีไม่ได้ชีวิตแต่และชีวิตที่อุบัติบังเกิดมานั้นเป็นการเกิดขึ้นดำรงอยู่และจากไปตามกรรมของตน ว่ากันตามความเป็นจริงแล้วคนเราต่างคนต่างมาและต่างคนต่างไปการมาก็ไม่ได้มีการนัดหมายกันมาการไปก็ไม่มีการนัดหมายกันไปแต่การที่อยู่ร่วมกันนั้นนอกจากจะเหตุผลคือปุเพกะตะปุญญาตาการทำบุญร่วมกันมาในชาติปางก่อนที่ท่านเรียกว่าปุเพสั น, นิวาตแล้วเป็นเรื่องของความเกื้อกูลกันในปัจจุบัน ที่สร้างความเข้าอกเข้าใจเห็นอกเห็นใจต่อกันก็อยู่ร่วมกันกําหนดหมายกันว่าเป็นเพืชนคนที่รักเป็นญาติเป็นพี่น้องเป็นเพื่อนฝูงตลอดถึงเป็นสามีพันยาการปิตุศนั้นก็เป็นความจริงในชั้นสมมติซึ่งทรงแสดงไว้อีกระดับหนึ่งให้คนปฏิบัติหน้าที่ให้เหมาะให้ควรแก่ฐานะแก่ภาวะแก่กาละที่เกี่ยวข้องกันแต่ในตานองเดียวกันบุคคลจะต้องอยอมรับความจริงอีกด้านหนึ่ง ซึ่งมีปรากฏอยู่ในอารมณ์ในวัตถุที่ปรากฏแก่สายตาของตนคือความพลัดพรากความเปลี่ยนแปลงที่จะบังเกิดขึ้นแกสัตว์และสังขารเหล่านั้นแม้ตัวของเราเองข้อนี้ได้ทรงแสดงไว้โดยอนเนกปริยายเช่นทรงแสดงว่าบุคคลผา น, นั้นมีความรู้สึกว่าทรัพย์ของเรา บุตรของเราสิ่งนั้นสิ่งนี้ของเราแต่ว่าโดยสภาวะที่แท้จริงแล้วแม้ตัวของเราก็ไม่เป็นของเราทรัพย์บุตรเป็นต้นจะเป็นของเราได้อย่างไรนี่คือความจริงในชั้นหนึ่งที่เป็นความจริงตามสภาวะของสิ่งเหล่านั้นในชั้นนี้จึงทรงสอนในขั้นแรกก็คือว่าให้รู้ว่าโดยสภาวะแล้วสิ่งเหล่านี้ มีการเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยจะต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปและแตกสลายไปในที่สุดอย่างที่ทรงสอนให้กําหนดพินิษพิจารณาหนึ่งเนืองว่าเรามีการพลาดพลากจากของรักของชอบใจทั้งหลายทั้งปวงไปเป็นธรรมดาการพินิษพิจารณาอย่างนี้น้อมนึกไปอย่างนี้แล้วก็คิดตามไปโดยลักษณะนี้ความ รู้สึกเหล่านั้นจะค่อยแทรกซึมเข้าสู่จิตใจของบุคคลทำให้ยอมรับถึงความจริงอย่างที่ทรงแสดงเอาไว้เมื่อประสบปัญหาเกิดขึ้นภายในชีวิตของตนก็จะตั้งหลักได้ทำใจให้ยอมรับความจริงแห่งความพลัดพลาคจากกันได้ความโศกที่ควรจะเกิดขึ้นก็ไม่เกิดขึ้นความโทมนัสที่อาศัยการพลัดพลาดเป็นเหตุ ก็สามารถที่จะบรรทอประบางลงไปได้ดังนั้นหลักการบางอย่างจึงทรงสอนให้บุคคลพินิษ์พิจารณาเนืองเนืองอย่างที่ทรงใช้ในอภินันะปัจจเวคคณะคือให้บุคคลพิจารณาเนืองเนืองพิจารณาอยู่เสมอคิดอยู่เสมอด้วยบทสวรก็ตามด้วยการพบเห็นการพลัดพรากต่างๆที่เกิดขึ้นแก่คนอื่นและสัตว์อื่นก็ตาม พยายามน้อมนึกสิ่งเหล่านั้นเข้ามาสู่จิตใจของตนค่อยๆปรับจิตใจของตนให้ยอมรับถึงความจริงว่าแม้เราก็จะเป็นอย่างนี้ไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้จนเกิดหายความสงสัยหายความคลางแคลงในเรื่องเหล่านั้นเมื่อประสบปัญหาขึ้นมาจิตก็จะตั้งหลักได้ดังที่ได้กล่าวแล้วข้อนี้ท่านเล่าถึงพระเล่าถึงนางมาริกาเทวี ผู้เป็นพัญญาของท่านพันธุระเสนาบดีซึ่งได้ศึกษาได้สดับธรรมได้พิจารณาธรรมในสำนักของพระพุทธเจ้ามาเป็นเวลานานพอประสบปัญหาความพลัดพลากสามีและลูกชายถูกลอบฆ่าตายหมดสิน้นในขณะที่นางกำลังอังคาดพระสงค์อยู่านางก็ทราบข่าวเรื่องเหล่านั้นก็เอาหนังสือที่ก็แจ้งข่าวเก็บไว้ในพก ทำหน้าที่ถวายอาหารแก่พระอยู่โดยปกติแม้สีหน้าก็ไม่มีความเปลี่ยนแปลงต่อมานางทาสีได้นำอาหารมาภาชนะได้ตกลงแตกภาษารีบุตรเถระได้กล่าวขึ้นว่าสิ่งที่ต้องแตกดับเป็นธรรมดาได้แตกดับไปแล้วบุคคลไม่พึงคิดนางได้นำหนังสือจากพกออกมาแล้วเรียนถวายพระเถระว่า แม่ดิฉันได้ทราบข่าวสามีและลูกชายถูกลอบฆ่าตายหมดสิ้นก็ไม่เสียใจจะไปเสียใจกับถ้วยจานแตกเพียงใบสองใบได้อย่างไงนี่เป็นการแสดงให้เห็นได้ว่าการหมั่นพินิพิจารณาอยู่บ่อยๆในลักษณะนี้เวลาประสบกับปิยวิปโยคคือการพลัดพรากจากสัตว์จากสิ่งของจากบุคคลอันเป็นทิรักบงังเกิดขึ้นใจก็จะมีหลักเป็นเครื่องยึดเหนีย่ยว ปรับใจให้ยอมรับความจริงแห่งความพละดพลาดนั้นได้ในด้านอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาซึ่งก่อให้เกิดความทุกข์ความโทมนัสขึ้นก็มีลักษณะเช่นเดียวกันอย่างเช่นการไปประจวบไปเกี่ยวข้องกับสัตว์กับบุคคลอันตนไม่ชอบใจแต่จำเป็นจะต้องอยู่ร่วมไปร่วมทำงานร่วมหรือร่วมกิจกรรมต่างๆกันอยู่ถ้าหากว่าใจบุคคลไปปักไวในลักษณะนั้น จะมีความเหน็ดเหนื่อยจะมีความเดือดร้อนทับทวีขึ้นภายในจิตใจไหนจะต้องเหน็ดเหนื่อยจากการงานซึ่งพลังจิตจะต้องใช้ไปในเรื่องเหล่านั้นและยังต้องเหน็ดเหนื่อยกับการเก็บกดอารมณ์ที่ไม่ชอบใจไว้ภายในจิตใจเป็นการทําลายสุขภาพจิตของตนนายอ่อนเพลียลงไปดังนั้นในกรณีเช่นนี้ถ้าหากว่าบุคคลไม่อา จ, จเจริญเมตตาได้ในตอนต้น ก็ให้พิจารณาถึงกฎแห่งกรรมอย่างที่ทรงสอนไว้ในอภินหะปัจเจเวคขณะนั่นเองเพราะคนเรามีกรรมเป็นของของตนจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมมีกรรมเป็นกรรมเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยใครทํากรรมมันใดไว้จะดีหรือชั่วก็ตามจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นในกรณีที่บุคคลเหล่านั้นกระทําอะไรไม่ดีซึ่งเป็นเหตุให้ตนไม่พอใจ ใจก็จะไปยึดเหนี่ยวในกฎแห่งกรรมว่าเขาทากรรมอันใดเขาก็จะต้องรับผลแห่งกรรมนั้นใจบุคคลจะไม่เอื้อมเข้าไปร่วมกระทำกรรมไม่ดีเหล่านั้นความเดือดร้อนก็จะเกิดขึ้นเฉพาะบุคคล น, นั้นคนเดียวตนไม่ต้องไปเดือดร้อนเพราะความโกรธเป็นต้นแต่ถ้าให้ยิ่งขึ้นไปกว่านั้นก็อาจจะสร้างความรู้สึกในทํานองที่เป็นเมตตา โดยอาศัยตนเองเป็นอุปมาเบื้องต้นว่าเราไม่ปรารถนาความมีเวรความมีภัยการเบียดเบียนกา ร, รการประทุษร้ายกันการเปลี่ยนแปลงฐานะที่เราไม่ต้องการเช่นใดแม้คนอื่นสัตว์อื่นก็มีความรู้สึกมีความต้องการเช่นเดียวกันเะนั้นถ้าทำได้อย่างนี้ความรู้สึกเมตตานั้นเองจะทาหน้าที่สลาย ความอาฆาตพยาบาทความโกรธที่บังเกิดขึ้นให้ค่อยๆบรรเทาบบางลงไปแต่ถ้าหากว่ายังใช้เมตตาไม่ได้ก็ทรงแสดงธรรมะในลักษณะที่เรียกว่าอภัยทานคือให้อภัยการให้อภัยนั้นมีประโยชน์แก่บุคคลทั้งสองฝ่ายและคนที่ได้รับเป็นคนแรกก็คือผู้ที่ให้อภัยนั่นเองเพราะลักษณะการให้อภัย จะไม่มีการเก็บกดสิ่งไม่ดีไว้ภายในใจจิตใจของบุคคลในขณะนั้นก็จะมีความสงมบเย็นวายบุคคลที่ตรงกันข้ามก็จะไม่เป็นการสร้างเวรสร้างภัยต่อกันที่ท่านเรียกว่าอภัยทานอีกประการหนึ่งก็คือการใช้หลักของขันติความอดทนต่อการประพฤติการกระทําที่ไม่เหมาะสมของบุคคลเหล่านั้น รู้จักขัดข้ามใจรู้จักข่มใจของตนเองเอาไว้แต่และอย่างที่ทรงแสดงไปนั้นเป็นอุปการธรรมอย่างสาคัญในการที่จะขจัดความรู้สึกโทมนัสในกรณีที่ต้องเกี่ยวข้องกับคนและสัตว์ที่เราไม่ชอบใจได้และประการที่สาคัญที่สุดก็คือเรื่องของการยึดการถืออย่างที่ทรงสรุปไว้ในตอนสุดท้ายที่กล่าวแล้ว ปัญหาสําคัญที่สุดที่ก่อให้เกิดเป็นความทุกข์ความโทมนัสก็คือเรื่องของความยึดความถืออะไรที่ไม่ยึดไม่ถือเอาไว้บุคคลก็จะรู้สึกว่าเบาสบายจะในโอกาสใดที่มีการยึดการถือการแบกการหามอยู่อาการหนักก็จะบังเกิดขึ้นในเรื่องของจิตใจก็มีลักษณะเดียวกันการที่บุคคลไปเหนี่ยวยึดถือเรื่องต่างๆเอาไว้อย่างในกรณีของความไม่พอใจนั้น ถ้าเปรียบแล้วก็เหมือนกับกรรมไฟร้อนร้อนไว้ทั้งๆ ท, ท, ที่รู้ว่าร้อนแล้วก็บ่นว่าร้อนแสดงอาการให้เห็นว่าร้อนแล้วไม่ยอมทิ้งไฟซึ่งตนกรรมไว้ในที่สุดก็จะถูกไฟเหล่านั้นแผดเผาให้รล่าร้อนมากยิ่งขึ้นผู้ฉลาดเมื่อพิจารณาเห็นโทษของความร้อนและรู้ว่าตนกำลังประสบความร้อนเพราะกำไฟไว้ทางที่ดีที่สุดก็คือทิ้งไฟนั้นออกไปอาการร้อนก็จะผ่อนคลายลงเันได ใจิตใจที่ไปเก็บกดอารมณ์ในลักษณะนั้นไว้ก็เป็นไปในลักษณะชิ้นเดียวกันคือถ้ามีการปล่อยมีการวางกันเสียบ้างอาการเล่าร้อนที่ถูกแผดเผาพราะเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์ก็จะผ่อนคลายบรนทอบาบางลงไปพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงแสดงไว้โดยสรุปว่าสเบธมานาลังอภินิเวสายะทำทั้งหลายบุคคลไม่ควรยึดมั่นถือมั่น ถึงแม้จะยึดจะถือก็ยึดถือในชั้นของสมมติสัจจะแม้ในชั้นของสมมติสัจจะเวลาใดควรยึดควรถือก็ยึดถือไว้เวลาใดไม่ควรยึดไม่ควรถือก็ต้องรู้จักปล่อยรู้จักวางข้อนี้ไม่ต้องดูอื่นไกลแม้แต่ว่ามีลูกเต้ามีญาติพี่น้องมีผู้ใต้บังคับบัญชาที่จะต้องเอาใจใส่ดูแลในช่วงที่จาเป็นจะต้องยึดจ้อง ต้องถือก็มีการยึดถือเอาใจใส่ดูแลแต่เมื่อแกเติบโตจเจริญวัยปล่อยได้แล้วก็ควรจะปล่อยจะวางไปบ้างถ้าไปมัวยึดถือกันอยู่อีกลูกโตเป็นผู้ใหญ่แล้วพ่อแม่ไม่ยอมรับว่าลูกเป็นผู้ใหญ่มีความห่วงใ ย, ยมีความมิตกกงังวลเป็นเจ้ากี้เจ้าการไปสารพัดอย่างตัวเองก็เดือดร้อนลูกตัวเองก็เดือดร้อนหาความส ง, งบใจไม่ได้ เพรานั้นเรื่องความไม่ยึดไม่ถือจึงไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นชั้นของมรรคผลนิพพานแต่เป็นชั้นของการปฏิบัติในชีวิตประจำวันนั่นเองว่าบางคราวก็ยึดถือบางคราวก็ไม่ควรยึดถือทั้งนี้ก็ต้องอาศัยว่าการใดควรยึดถือหรือไม่ควรยึดถือคือความมีกาลันยุตารู้จักการของบุคคลหล่อนั้นนั่นเองในกรณีที่การพลัดพาดรากพิยชนก็ทานองเดียวกัน เมื่อยังอยู่ร่วมกันก็ยึดถือในฐานะเป็นเพื่อนเป็นญาติพี่น้องเป็นสามีภรรยากันแต่เมื่อตายไปแล้วแตกดับไปแล้วหรือแยกกันไปแล้วก็ต้องปล่อยวางความรู้สึกเหล่านั้นนี่เป็นการทําใจเป็นการปรับใจของบุคคลให้เหมาะให้ควรแก่ฐานะแก่โอกาสนนั้นเพราะสิ่งใดที่บุคคลเข้าไปยึดถือไว้นั้นถ้าปล่อยวางไม่เป็นยึดถืออยู่ตลอดไปแล้ว ก็จะมีความแตกความทุกข์ความเดือดร้อนโดยส่วนเดียวแต่ถ้ารู้จักปล่อยรู้จักวางในบางโอกาสในบางขณะก็สามารถบรรเทาวความทุกข์ความโทมนัสลงไปได้แต่วันในชั้นของความจริงที่แท้จริงแล้วความยึดถือทุกรูปแบบไม่มีอะไรเลยที่จะไม่เกิดความทุกข์ขึ้นมาดังนั้นท่านจึงแสดงไว้โดยสรุปว่าสิ่งใดที่บุคคลเข้าไปยึดมั่นถือมั่นเอาไว้ สิ่งนั้นจะไม่มีโทษเป็นอันไม่มีเลยเรื่องของความทุกข์ความโทมานัตที่ทรงแสดงไว้โดยคำว่าโทมนัตสางนั้นหมายถึงความยึดถือด้วยอำนาจของกิเลสแต่ความยึดถือในแง่ที่ไม่ดีมีกิเลสสายโทสะเป็นมูลก็ให้ความยึดถือในทางที่ยินไรหรือว่าทางที่ไม่น่าปรารถนาเมื่อยึดถือในลักษณะนี้แล้ว ธรรมดากิเลสเป็นเหตุแห่งความทุกข์แห่งความทุกข์นาาประการบุคคลมีปริมาณของกิเลสไปยึดถือในลักษณะลบเช่นนั้นมากเท่าไรความทุกข์ความเดือดร้อนในชีวิตประจำวันตลอดถึงในสังสารวัฏก็จะบังเกิดขึ้นแก่บุคคลมากเท่านั้นเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงแสดงหลักในมหาสติปัฏฐานเพื่อบุคคลรู้กายเวทนาจิตธรรมตามความเป็นจริงแล้ว นำออกซึ่งความยึดถือในสิ่งนั้นๆในลักษณะนั้นๆออกไปเพื่อความสงบความเยือกเย็นความสะอาดแห่งจิตใจของบุคคลผู้นั้นซึ่งแน่นอนว่าจะต้องเกิดขึ้นตามสมควรแก่การประพฤติปฏิบัติต่อแต่นี้ไปขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป